ซีดีเสียงธรรมรอบวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568เสียงธรรมวันนี้มีความยาว17นาทีหัวเรื่องความหมายที่แท้ของซื่อเตียสิงเงินโดร์ อ, อวันนี้จะกล่าวถึงความสำคัญของเตียสิงเงินโดรคือการเตรียมการบำเพ็ญปฏิบัติหลัก ที่จริงแล้วในทุกยานทุกนิกายล้วนมีการบำเพ็ญปฏิบัติเตียสิงโดยเฉพาะในนิกายวัชรา ย, ยานได้ให้ความสำคัญกับซื่อเตียสิงอู่เตียสิงเลี่ยวเตียสิงการปฏิบัติเงินโดห้าหรือเงินโดหกมากแต่ว่าในสิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งเหล่าเรโพเชและเหล่าคันปู้ในนิกายต่า ง, างๆพวกเขามีความเข้าใจเตียสิงนั้นตื้นมาก คิดว่ามันเป็นแค่บทเรียนที่ต้องบาเพ็ญเพื่อเตรียมตัวก่อนการบําเพ็ญปฏิบัติหลักมันได้กลายเป็นบทเรียนกลายเป็นงานที่ต้องทําให้สำเร็จไปเสียแล้วคิดว่าการปฏิบัติลึนโรบทต่างๆเป็นภารกิจ ต, ต่างๆที่ต้องทําเช่นการกราบอัสดาคปาปิหนึ่งแสนครั้งการถวายน้ำหนึ่งแสนแก้ว การสวดมนตราร้อยพยายามหนึ่งแสนจบกระทั่งการถวายมัจจาแสนครั้งทุกอย่างต้องทำให้ครบแสนและนึกว่าเมื่อการปฏิบัติครบท้วนแล้วบุญกุศลของตนและการจะได้รับการถ่ายทอดพุท ธ, ธวิชาก็จะสมบูรณ์พร้อมแน่นอนว่าในหลักธรรมมีกฎเกณฑ์ที่ว่านี้แต่ว่านี้ไม่ใช่ความหมายที่แท้ของเจรสิ่งทาไมจึงว่าไม่ใช่นะ ก่อนอื่นมาพูดถึงการสวดมนตราร้อยพยางมนตราจินกังซาส่วนนี้หมายถึงการขอขามาโทษบาปกรรมที่ได้ทำมานับพชานไม่ท้วนเมื่อบำเพ็ญแล้วบาปกรรมก็จะเบาบางลงการถวายมันตราแสงครั้งหมายถึงถวายเบียงแห่งบุญบา ร, รมีและปัญญาญาแด่พระเจ้าผู้ทรงสทิต เมื่อถว า, ายแด่พระพทธองค์แล้วบุญวัตนานั้นเขย้อนกลับมาเป็นบุญกุศลของตนนี่คือการสั่งสมสเสบียมบุญเพื่อการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมส่วนการกราบอัสดางข้าพระพิษแสนครั้งนั้นประกอบด้วยการสแสดงความเคารพพระพุทเจ้าทั่วทสศน์ทิศเคารพพระรัชน h a r m พร้อมทั้งขอยึดพระรัตน h a r m เป็นขรณะ โดยส่วนด้วยพระรัตนตรัยกราบสวดพร้อมกันนอกจากนั้นคือการถวายน้ำหมายถึงบุญวัฒนาแห่งน้ำอมฤตยังให้ตนนั้นไม่ขาดสเสบียงแห่งธรรมตลอดไปมีบุญวัฒนาและปัญญาดังสายน้ำที่ไม่ขาดสายสรุปซื่อเดียสิ่งนี้มีผลบุญกุศลจริงและในข้อกำหนดของพุท ธ, ทธิเบสโดยเฉพาะของ ผรูปปัจมัสัมภะต้องมีการบำเพ็ญปฏิบัติตามนี้เมื่อเจียนสิ่งสมบูรณ์พรและเรียนรู้เชี่ยวชาญในพระสูตรสุดท้ายจึงจะสามารถศึกษาพัฒนตระได้สามารถศึกษาพุทธวิชาขั้นลึกได้ซึ่งสิ่งนี้ฟังแล้วดูเหมือนถูกต้องและถูกหลักครรมากแต่มันไม่ใช่ความหมายที่เราปอถอจะกล่าวถึงที่เราจะบอกต่อทุกคนคือ ความหมายที่แท้ของเจียสิงไม่ใช่ความหมายขั้นต้นที่บอกไปไม่ใช่การถวายน้ำแสนแก้วไม่ใช่การถวายมันตาราหรือการสวดมนตราร้อยพยางหรือกราบอัสดางข้าพติครบแสนครั้งก็จะสามารถยังให้บุญกุศลของตนสมบูรณ์พร้อมการบงเพ็ญปฏิบัติสิ่งต่างๆนี้ไม่ได้อยู่ที่แสนครั้งหรือสองสามแสนครั้ง จะอยู่ที่ฝึกฝนสิทธิ์ให้มีความจริงใจให้มีจิตบริสุทธิ์มายึดมาบึ่งพาพระรัตนทรัยให้คำสามกายวาจาใจได้รับ ก, การขัดเกลาให้จิตสะอาดบริสุทธิ์เป็นหนึ่งทำไมเตียสิ่งเหล่านี้จึงขัดเกลาจิตได้เพราะการปฏิบัติเตียสิงเหล่านี้เหนื่อยยากมากและยามที่คนเราพุ่งเทจิตและกายใน การปฏิบัติมาหลายสิบปีเขาก็จะไม่ไปกัะพฤติผิดอีกเขาจะคิดว่าตนได้พุ่งเทลงไปมากแล้วเรื่องทางโลกก็ปล่อยไปเถอะตนจะไม่ไปยึดติดเพราะตนนั้นได้เพียนปฏิบัติไปมากแล้วตนได้เริ่มใส่อุทิตตนไปมากมายแล้วตนควรจะทำตามพระธรรมคำสอนให้บรรลุหลุดพ้นเถอะตนได้ทำกิจในพุทธศาสนามาแล้วมากมาย หากตนเกิดเดินผิดทางสิ่งที่ปฏิบัติมาไม่สิทธิ์วสียเปล่าหรื อ, อยามนั้นอาจารย์สอนให้เขารักโทสัตเขาก็ลัธรรมราชาสอนให้เขามีพรหมวิหารสี่เขาก็จเจริญพรหมวิหารสี่สอนให้เขาปฏิบัติธรรมอย่างไรอย่างไรเขาก็ทําตามนั้นส่วนคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเตียสิงกายใจของเขาไม่ได้ทุ่มเทเข้ามาไม่ได้เหนื่อยยากในการบําเพ็ญเสบัด เขาก็จะไม่ใส่ใจจะมีแต่ความทั้งลงตัวมีจิตที่ทะเยอทยานเกินตัวคิดแต่ตนจะหลุดพ้นต้นจะสําเร็จบรรลุต้นจะเหาะเหินเดินอากาศทุกวันมีแต่ความทะเยอทะยานฉะนั้นเมื่อเจอกับอุปสรรคที่ขัดกับพระธรรมเขาจะไม่คเนินถึงความสำเร็จบรรลุแห่งตนก่อนมีแต่กลัวการเสียหน้ากลัวการเสียประโยชน์ก่อน จะจัดการกับเรื่องต่างๆก่อนส่วนคนที่ทุ่มเททั้งกายใจเขาก็ไม่เป็นแบบนั้นเกียรติและศักดิ์สิททั้งหลายเขาจะละทิ้งไปหมดเขารู้ว่าหากไม่ละทิ้งมันจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ต้องไปเจอกับโยมาบาลเขาจาเป็นต้องละทิ้งสิ่งไม่ดีทั้งหลายนำเมล็ดพันธุ์เวียนไหวใจเกิดนี้ทิ้งไปและคล้อยเลี้ยงเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิ ขอยกอีกตัวอย่างให้ฟังเคยมีพระเถระรูปหนึ่งนําร่างกายของตนเป็นฐานเทียนจุดเทียนถวายบูชาหลายพันเล่มและกระทัำว่าเพื่อรับ ก, กรรมแทนจับกระส่า์คว้าหัวใจของตนเม่าเผาเป็นพุทธบูชาเพื่อแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรยัยดังเลือดมาเขียนพระสูตรเป็นพุทธบูชาตอนนี้เราขอถามสิทธิ์ทั้งหลายว่า ถ้าเทระรูปนี้ผู้ชิงสร้างหยินในกายของเขาวิโทสไหมสิทอบไม่มีเขายังจะมีเรื่องนิดหน่อยก็ปล่อยวางใหม่ปล่อยวางไม่ลงใหม่จะกลัวเสียหน้าไหมยังจะมีการค้อข้างคนนั้นคน น, นี้ไหมมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นใหม่สิตอบไม่ใช่เพราะเขาได้ทุ่มเทกายใจลงในพุทธธรรมแล้ว เขารู้อย่างแน่ชัดว่าตนต้องแล้ววางทุกอย่างมุ่งสู่โพธิด้วยเหตุนี้เจียสิงกับสิ่งนี้มีหลักการเดียวกันมีความหมายเหมือนกันเพราะว่าพวกเราปฏิบัติเจียสิงทุ่มเทกายใจลงไปตนก็จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนคิดแต่ว่าตนได้ความเห็นเจียสิงไปมากแล้วเรื่องเล็กเล็ก้น้อยต่างๆอย่าเอามายึดติด นี่คือแก่นแท้ของซื่อเจียสิงหากว่าดูแต่เปลือกนอกว่าตนได้บําเพ็ญครบหมดหมดแล้วทุกข้อทําไมตนจึงยังไม่ได้รับมรดกผลอีกคนที่คิดเช่นนี้คือคนโง่เขาที่ว่าครบแล้วของเขาคือครบทางรูปแบบภายในจิตของเขาแม้เพียงการกราบไหว้เดียวก็ยังไม่ได้ทําเพราะต่อให้เธอกราบไหว้ทุกวันแต่ใจของเธอไม่ได้ทุ่มเทลงไป ใในจิตของเธอยังโง ม, มุ่นอยู่ในทางโลกการปฏิบัติเจียสิงมีที่สาคัญอีกหนึ่งคือตาเจียสิงไม่ใช่การกราบอัศกาห์พระปดิษฐสนครั้งแล้วก็ไม่ใช่การสวดมนตร์ร้อยพยายามแสนจบทั้งไม่ใช่การถวายมันดาราหรือถวายน้าแสนครั้งล้วนไม่ใช่แต่เป็นที่ตนนั้นเจริญพรพิหารสีแปลเป็นโพธิจิต เพลนจิตของตนให้เคลื่นครัดในสิลวินัยปฏิบัติตามคำสอนและพร้อมด้วยพรหมวิหารสี่กับโพธิจิตคนเช่นนี้เจียสิงของเขานับว่าสมบูรณ์พร้อมด้วยเจียสิงทั้งแปประการไม่ใช่แค่เจียสิงสี่ประการหากว่าจิตนี้ยังไม่เพียรพร้อมต่อให้ซื่อเจียสิงของเธอทุกข้อได้ทำครบแล้วก็ยังไรประโยชน์เท่ากับยังไม่ได้บาเพ็ญ ด้วยเหตุนี้ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของการบำเพ็ญเจียสิ่งคืออาศัยช่วงเวลาของการบำเพ็ญนั้นมาขัดเกลามาผกผลตนให้เป็นคนที่เริ่มใ ส, ส่ศรัทธามีกายใจบริสุทธิ์เป็นผู้ศักสาวโบกที่ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนโดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงจิตตนจากคนที่เป็นแค่เหล็กขึ้นสนิมให้กลายเป็นทองคาจากคนที่เป็นคนสกปรกโสโคร เป็นเป็นคนดีดีเมตตาจิตไรโพสต์ไร้โมหะมีอุเบกขารกพระสัพสั์อย่างเสมอภาคขัดเกล้าตนให้เป็นภาชนะธรรมเมื่อนั้นเธอก็จะได้รับพุทธวิชาที่จะยังให้เธอสำเร็จพุทธภาย ใ, ในชาตินี้เพราะว่าพุทธวิชามีไว้เพื่อสอนแก่ทุกคนมีไว้เพื่อโปรดเวนยศัตร์หากเธอยังบงเพ็งไม่ถึงขั้น ขอให้สอนเธอเขาไม่ได้รับประโยชน์เพราะมันมีศีลที่เคร่งคัดกํากับอยู่หากเธอละเมิดศีลผิดศีลก็ต่อไม่ติดเชื่อเลี่ยงใต้เหวี่ยงมันผิดศีลพุทธศพุทธภาวะก็สลายไม่ใช่ว่ามีพุทธวิชาแ ล, แล้วไม่ยอมสอนใครๆก็สอนได้แต่สอนแล้วเกาไรม้ผลขนาดที่สอนรับรองว่ามีผลภายในสองชั่วโมง จะปรากฏม น, นทลธรรมที่สว่างรุ่งโรจน์ต่อหน้าพุทธวิชานี้ยิ่งใหญ่มาแต่หากเธอละเมิดศิลงสภาวธรรมนั้น mm. ก็จะหายไปด้วยเหตุนี้การปูรพื้นฐานสําคัญมากพื้นฐานก็คือเจียสิ่งที่กล่าวไปข้างต้นเจียสิ่ที่เป็นจุดมุ่งหมายไม่ใช่เป็นแค่รูปแบบต้องดูว่าเจียสิ่งนี้ได้อบรมฝึกฝน จนเธอเป็นภาชนะธรรมหรือยังเธอได้ซื่อสัตย์ต่อพระอาจารย์และพระรัะตนตรัยได้มองสรรพชีวิตอย่างเสมอภาคไร้โทสะโมหะมีแต่เมตตากรุณามุทิตาโอเบคาและโพธิจิตเมื่อบรรุเป็นภาชนะธรรมยามเธอบำเพ็ญพุทธวิชาเธอก็จะสำเร็จบรรุหลุดพ้นขอจบการแสดงธรรมสาธุ แผ่เมตตาน้องถวายผลบุญกุศลนี้ด้วยความจริงใจสูงสุดนมโมพระเุทเจ้าตัวเจียมพระชาติที่สามพุทพาอาจารย์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาทุกยุคทุกสมัยใครได้เจริญในธรรมพร้อมสิริมงคลสมบูรณ์แผ่เมตตาไปถึงเทพธรรมบาลทุกพระองค์เจ้าที่เจ้าทางสมรสัต์ทั้งหภูมิล้วนได้รับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ชาวเรียบทียผลล้วนบังเกิดโททิจบันรู้พุทธมรรคโดยทั่วกันข้าพเจ้าทรงไว้ซึ่งอานาจสิทธิความสำเร็จกิจแห่งศาสนาจักรอาณาจักรพุทธจักรมรรคนิพานได้ฝ่ายสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวสุขสมบูรณ์บริบูรณ์บริสุทธิ์ในาธาตุในธรรมมหาอธิกรมประกอบวัชระจงบังเกิดสำเร็จผลสมบูรณ์วิชาพระคนรอิม การเอิญฝ่อถ่อการเอิญกลิ่นการเอิญหลวงพ่อสดการเอิญในแม่ 念一次功德回，回向给十方诸佛菩萨、龙天护法、福慧双受、吉祥如力回向观神音菩萨及六道有情众生，早日闻受如来正法，得大解脱、大成就。愿世界和平，没有战争。愿泰国国泰民安。愿今天参加共修的师兄师姐们家庭幸福、财源广境消除内外恶障，福报增长、智慧增长。阿弥陀佛。